บทที่40กีฬาพลังจิตลานดาวเดินตามท่านประธานบริษัทต้อยต้อยทั้งคู่ลงมาชั้นสองซึ่งมีผู้คนพลุกพล่านหลายรายที่เดินสวนมาต่างยกมือไหว้าสารณะและมียังมองหญิงสาวด้วยสายตาสนใจใคร่รู้ว่าใหญ่นี่เป็นใครติดตามบิ๊กบอสด้วยเรื่องอันใดเพราะสารณะไม่ค่อยลงมาชั้นสองบ่อยนักโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่เคยพาสาวสวยมาด้วยสองต่อสองอย่างนี้ชายหนุ่มเปิดประตูพาสาวหน้าใหม่เข้าไปในห้องห้องหนึ่ง ในนั้นมีชายไวกลางคนร่างสูงชะลุดกำลั ง, งวนวดอยู่กับคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ไฟฟ้าหลายชนิดกลางห้องเป็นโต๊ะยาวประมาณ 2,10 เมตรพื้นโตะพลาสติกลาดเอียงทำมุมประมาณ10องศาเข้าหากันจากขอบซ้ายขวาเป็นร่องทางยาวตรงกลางรูปตัววีกลางร่องนั้นมีลูกเหล็กทรงกลมชุบโครเมียมขึ้นเงาสีเงินขนาดใหญ่กว่าลูกโบลลิงเกือบ2เท่าตั้งอยู่บนรางเลื่อนดูผิวนอกเหมือนเหล็กตันแต่ลานดาวทราบภายหลังว่าข้างในกลวงเบามีน้ำหนักประมาณ5กิโลกรัมเท่านั้น ทว่าหลอกตาเหมือนหนักกว่าที่เห็นหลายสิบเท่าจะด้วยอุปทานหรือสัมผัสรู้ประการใดก็ตามหญิงสาวเห็นเหมือนมีกลุ่มพลังแฝงอยู่ในลูกเหล็กนั้นอย่างหนานแน่นคล้ายกับมันมีชีวิต จ, จิตใจและพร้อมจะกลิ้งได้เองฉะนั้นจ๊ะนี่ด็อร์สมคิดหัวหน้าทีมงานวิจัยและพัฒนาของพี่ลันดาวพนมมือไหวและยิ้มให้เขาสมคิดรับไหวและทักคำแรกด้วยการชมคุณสรณะเอาหนังสือของคุณใจให้ผมอ่านแล้วครับผมอ่านไปงงไปว่าอายุเพิ่งยี่สิบตน เขียนได้ขนาดนี้ทีเดียวหรือเยี่ยมจริงๆขอบคุณค่ะนี่คืออุปกรณ์สำคัญในการเล่นเกมโชว์ใหม่ของเราสารณะพยรหน้าไปทางโต๊ะกลางห้องจ๊กํำลังอยู่กับความลับล่าสุดที่นีโอเทรนใช้เวลาเกือบหนึ่งปีพัฒนามันขึ้นมาเห็นแค่นี้พอจะเดาออกไหมว่ามันคืออะไรลานดาวมองหัวโต๊ะและปลายโต๊ะที่มีเก้าอี้วางอยู่ทั้งสองฝั่งก่อนจะเบนสายตากลับมาจับที่ตุ้มเหล็กสีเงินยวงเงาวั บ, บนรางเลื่อนอีกครั้ง ลูกเหล็กเหมือนมีคลื่นพลังแฝงอยู่จะเดา ว, ว่าน่าจะมีคนพยายามทําให้มันเคลื่อนที่มาหลายพันครั้งแน่เลยในช่วงปีที่ผ่านมาเกมเกี่ยวกับพลังจิตใช่ไหมคะแต่คงต้องมีขั้นตอนในการทําให้มันเคลื่อนที่แบบอ้อมๆเพราะพี่นาคงไม่สามารถหานักพลังจิตตัวจริงมาเล่นเกมกันได้ทุกอาทิตย์สารณะ ย, ยิ้มอย่างประทับใจถูกแล้วพี่ตั้งชื่อรายการเกมโชว์นี้ว่ากีฬาพลังจิตซึ่งอาจเป็นเกมโชว์ที่เราใจที่สุดเท่าที่คนดูเคยเห็นมาลองมานั่งนี่สิ แล้วเขาก็พาว่าที่ลูกน้องสาวไปที่หัวโตะด้านหนึ่งบอกให้หล่อนนั่งบนเก้าอี้ประจําตําแหน่งสิ่งที่ผู้เล่นจะต้องทําคือจ้องลูกเหล็กบังคับให้มันวิ่งเข้ามาหาตัวจะมีผนังทองแดงตั้งรับอยู่เมื่อโดนลูกเหล็กชนนิดเดียวก็จะส่งสัญญาณสิ้นสุดเกมทันทีและเป็นอันว่าฝ่ายนั้นชนะไปแน่นอนว่าคนธรรมดาไม่มีคลื่นพลังแผ่ออกมาเข้มข้นพอจะเคลื่อนวัตถุแม้แต่กระดาษทิชชู่ได้ไหว แท้จริงแล้วลูกเหล็กเป็นเพียงเป้าล่อสายตาให้เกิดกิจกรรมทางสมองซึ่งตรวจวัดเป็นคลื่นไฟฟ้าได้การกลิ้งจะเกิดจากการนำวิธีทางแม่เหล็กไฟฟ้ามาประยุกต์แต่ผู้ชมจะรู้สึกเหมือนโดนแรงกระทำจากผู้เล่นตรงๆลานดาวเข้าใจทันทียิ้มกว้างตาเป็นประกายการแข่งก็คือการนำคลื่นสมองของผู้เล่นมาหาค่าความต่างใช่ไหมคะหากลบแล้วใครมีคลื่นแรงกว่าก็ผลักบอลเข้าหาฝ่ายนั้นสารณะพยักหน้าใช่ เปรียบเหมือนการเล่นชักกะยืบที่ไม่มีเชือกมีแต่ค่าสัญญาณไฟฟ้าจากสมองเป็นตัวดึงกันไปดึงกันมาหญิงสาวก้มลงเห็นอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งแขวนห้อยอยู่ที่มุมโตะ๊ะมันคล้ายหมวกยางทรงกลาที่มีครอบหูคล้ายกับเฮดฟนฟังดนตรีดีไซน์เท่ก็เดา ว, ว่านั่นคงเป็นเครื่องตรวจจับคลื่นพลังนี่ใช่ไหมคะที่จะถ่ายทอดสัญญาณจากสมองคนเล่นเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ถูกแล้วเราดักจับสัญญาณไฟฟ้าจาก2จุดใหญ่คือคลื่นไฟฟ้าสมองกับคลื่นไฟฟ้าจากช่วงอก เดี๋นี้เทคโนโลยีตรวจสัญญาณก้าวหน้าไปมากรุงรังน้อยกว่าที่เห็นในโรงพยาบาลเยอะแถ่ไม่ต้องเหนอะหนาจากการใช้เจลแล้วด้วยเหมือนใส่บวกธรรมดาใบหนึ่งที่มีสายยงไปแปะหน้าอกอีกจุดเดียวเท่านั้นเพราะเราไม่ได้จะเก็บค่าสัญญาณละเอียดขนาดเอาไปวิเคราะห์โรคอย่างที่หมอทำทำไมต้องเอาค่าของคลื่นไฟฟ้าจากช่วงอกมาร่วมคำนวณด้วยคะเราใช้สัญญาณจากกลางอกเป็นแกนอ้างอิงทำนองเดียวกับถ้าเรารู้ว่าก้นบอดอยู่ตรงไหนก็สามารถวัดระดับน้ําในบ่อที่สูงขึ้นมาได้อย่างชัดเจน พี่เปรียบกลางอกเป็นก้นบ่อเพราะให้ค่าเฉลี่ยความต่างศักเป็นกลางมากที่สุดหรือพูดง่ายๆว่าค่าทางไฟฟ้าใกล้เคียงศูนย์โวล์มากที่สุดดังนั้นขณะที่เซลลประสาทสมองมีกิจกรรมมากขึ้นหากเราวัดค่าทั้งจากกลางอกและจากส่วนหัวก็จะรู้ความต่างศักระหว่าง2จุดนี้และตีค่าเป็นพลังจิตได้พลังจิตแรงจะให้ค่าเป็นช่วงคลื่นสูงและถี่ยิบคลื่นซึ่งได้จากคนเล่นจะถูกแสดงเป็นกราฟให้ผู้ชมเห็นทางทีวีอย่างชัดเจนด้วย ตอนเราสงบมากๆค่าของพลังจิตจะยิ่งออกมาแรงไหมคะพลังจิตกับความสงบไม่ใช่สิ่งเดียวกันหรอกนะแต่ก็มีส่วนสัมพันธ์กันอยู่ยกตัวอย่างเช่นขณะรถวิ่งบนทางโล่งเป็นเส้นตรงด้วยความเร็วตามสบายคนขับอาจผ่อนคลายสงบสุขไม่ต้องเพ่งไม่ต้องเพลงเป็นพิเศษต่างจากรถวิ่งบนทางขับขันโดยเฉพาะพวกขับรถแข่งที่ต้องการเร่งสปีดเพลงสายตาบังขับรถให้ทะยานขึ้นแซงขันหน้าจะเกิดความรู้สึกเหมือนมีพลังอัดขึ้นในร่าง ซึ่งจะใหญ่หรือเล็กคงที่หรือแปรปรวนง่ายก็ขึ้นอยู่กับความนิ่งของแต่ละคนยิ่งใครนิ่งได้มากเมื่อเกิดกิจกรรมทางเซลประสาทก็ยิ่งส่งคลื่นได้แรงสม่ำเสมอกว่าพวกที่กระวนกระวายเก่งอย่างนี้เวลาเล่นกีฬาตั้งใจเตะบอลเข้าโกหรือเล็งธนูแน่แน่อยู่ก็ล้วนแล้วแต่เป็นช่วงของการเกิดพลังจิตทั้งนั้นสิคะคนเราเพ่งอยากได้อะไรก็ใช้พลังจิตทั้งนั้นแหละแม้แต่การนั่งประชุมวางแผนของผู้บริหารที่ต้องการขับเคลื่อนธุรกิจของพวกตนไปข้างหน้า ก็เกิดกลุ่มพลังจิตอย่างใหญ่ขึ้นมาเหมือนกันเพราะผลจากการวางแผนสำคัญสําคัญจะมีผลกระทบกับใครอีกหลายๆคนก่อเหตุการณ์ขึ้นอีกหลายๆอย่างนึกภาพออกเลยค่ะเหมือนผู้มีตําแหน่งบริหารใช้พลังจิตสร้างสารรค์หรือทําลายสิ่งรอบตัวอยู่เสมอสารณะหยิบเครื่องตรวจจับสัญ ญ, ญาณสมองขึ้นมาถือสายตาเล็งดูประดิษฐกรรมของบริษัทตนแนวนิ่งหนังไทยและหนังฮอลลีวูดทําให้ผู้คนเกิดมุมมองเกี่ยวกับพลังจิตไปในทางลี้ลับและไกลเกินตัว หรือกระทั่งเป็นเรื่องหลอกเด็กไปเลยความจริงพลังจิตเป็นเรื่องใกล้ตัวเราอย่างที่สุดชีวิตประจําวันของทุกคนต้องประสบอยู่เสมออย่างคุยโทรศัพท์กับบางคนแล้วรู้สึกอึดอัดเหมือนมีอะไรบีบให้เสียงเราแหบแห้งลงนั่นก็คือโดนคลื่นจิตปั่นป่วนของอีกฝ่ายรบกวนหรือโดนพลังกล้าแข็งของอีกฝ่ายครอบงําเข้าแล้วค่ะเจอคนเก่งมากเข้าจะก็พบความจริงอย่างหนึ่งด้วยว่าความชํานาญในวิชาชีพของแต่ละคนก็อาจก่อให้เกิดพลังจิตเหนือธรรมดาได้แล้ว อย่างจะเพิ่งอ่านข่าวเจ้าหน้าที่ศุลกากรซึ่งต้องคอยตรวจจับกล่องพัสดุผิดกฎหมายจากทั่วโลกนับแสนชิ้นต่อวันพอทําเป็นสิบปีเพียงได้ลูบคลำกล่องต่างๆด้วยใจสงบก็อาจสัมผัสถึงความผิดปกติที่แอบซ่อนอยู่ข้างในหรือบางครั้งแค่เห็นไกลๆก็บอกถูกแล้วว่าใช่เลยของในกล่องนั้นผิดกฎหมายแน่นอนเจ้าของบริษัทผู้เป็นต้นคิดเกมพลังจิตวางเครื่องตรวจสัญญาณสมองลงพยักหน้ายิ้มแย้มใครทําหน้าที่ด้วยใจรักก็มักมีพลังจิตในทางนั้นๆ คนส่วนใหญ่รักแต่หน้าและเอาแต่ผลักภาระให้คนอื่นก็เลยไม่รู้จักคุณภาพพิเศษของจิตกันแต่ถึงอย่างนั้นเรื่องพลังจิตก็จับความสนใจคนได้ง่ายพีิมาตหมายว่ารูปแบบของเกมโชว์กีฬาพลังจิตจะดึงดูดผู้ชมจํานวนเป็นล้านให้มาสนใจเรื่องจิตวิญ ญ, ญาณของตัวเองบ้างน่าสนุกจังค่ะพลังของรายการต้องดึงเรตติ้งได้สูงลิฟทีเดียวแค่แสดงกราฟค่าของคลื่นพลังจิตที่สูงต่ําแปรปรวนอยู่ตลอดควบคู่ไปกับสีหน้าท่าทางจ้องลูกเหล็กนิ่งเอาจริ ง, เ อ, รงเอาจัง ก็ถ่ายทอดความรุนระทึกกระทบจิตคนดูได้ตรงตรงแรงแรงเหลือหลายแล้วนี่เป็นอะไรที่ไม่เคยมีใครเห็นมาก่อนจริงๆอยากลองเล่นไหมล่ะอุ้ยอยากสิคะเล่นกับพี่ณะหรอก็งานสิสารณาพยักหน้าให้ด็เตอร์สมคิดมาช่วยติดตั้งอุปกรณ์ให้ลานดาวส่วนตัวเขาเองเดินอ้อมไปนั่งอีกฝั่งของโต๊ะหญิงสาวใจเต้นรัวเมื่อท่านด็อร์นำหมวกยางมาครอบกระหม่อมรู้สึกถึงสายคาดที่แนบกระชับกับศีรษะสมคิดใช้นิ้วกด2จุดบนหน้าผาก เพื่อให้ขั้วรับสัญญาณไฟฟ้าทองเหลืองเคลือบซิลิโคนชื้นได้8ติดกับผิวหนังและขยับครอบหูให้เข้าที่มิดชิดเพื่อช่วยลดทอนการรบกวนจากสัมเสียงภายนอกอันจะทําให้มีสมาธิมากขึ้นนอกจากนั้นครอบหูยังเป็นอุปกรณ์สื่อสารกับผู้ควบคุมเครื่องอีกด้วยสมคิดขอให้หลอนปลดกระดุมเม็ดแรกออกและนําคั้วรับสัญญาณอีกหน่วยหนึ่งไปแปะตรงจุดเหนือร่องอกเท่านั้นทุกอย่างก็พร้อมเขาเดินไปเปิดกล้อง3ามตัวที่เตรียมไว้ถ่ายทํากีฬาพลังจิตระหว่างสารณากับลานดาว กล้องหนึ่งถ่ายมุมตรงยิงเข้าด้านข้างของโต๊ะเห็น2กลหุ่มสาวนั่งเผชิญหน้ากันโดยมีรางลูกเหล็กขั้นกลางกล้องสองถ่ายจากมุมทะแยงด้านซ้ายเข้าหน้าฝ่ายลานดาวกล้อง3มถ่ายจากมุมทะแยงด้านขวาเข้าหน้าฝ่ายสารณะได้ยินเสียงดรสมคิดพูดกระลรอนผ่านครอบหูพอคุณจ้าได้ยินสัญญาณกลิ้งหนึ่งหมายความว่าเกมเริ่มต้นนะครับให้ใช้ความพยายามนึกเหนี่ยวเอาลูกเหล็กเข้าหาตัวได้เลยลานดาวพยักหน้าเป็นการบอกว่าเข้าใจดีแล้ว ทุกสิ่งตกอยู่ในความสงัดเงียบแทบได้ยินเสียงลมหายใจของตัวเองทางจิตเสียงกริ้งที่มีกังวลเยือกเย็นเสนะหูดังขึ้นลานดาวเผย่หน่วยตาเล็กน้อยกำหนดใจเรียกลูกโบลิ่งสีเงินที่แรกใจไม่เชื่อนักว่ามันจะถูกรั้งเข้าหาตัวได้ง่ายด้วยเพียงอำนาจนึกแต่พอมันเริ่มขยับไหวมาหาหล่อนจริงๆก็สยายยิ้มกว้างและรู้ว่าเทคโนโลยีอัจฉริยะของนีโอเทรนเริ่มทำงานแล้วด้วยความมั่นใจว่าปฏิหารอันบันดาลด้วยเทคโนโลยีเกิดขึ้นจริงพลังจิตที่ส่งออกมาจึงสม่ำเสมอมากขึ้น กระแส7จ็ดำนงที่ถูกแปลงเป็นสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์วัดค่าได้สูงขึ้นเรื่อยๆสิ่งที่ลานดาวเห็นต่อหน้าต่อตาจึงเป็นการหมุนตัวของลูกเหล็กที่เร็วกว่าเก่าและเมื่อจิตของหล่อนแน่วนิ่งสนิทก็สำเนีบรู้สึกถึงกระแสลากจูงจากจิตคล้ายสายเชือกไรต้นชักจูงตุ้มเหล็กให้ตรงรีเข้าหาตนราวกับได้แรงฉุดจากเครื่องยนต์พลังสูงฉับพลันจากระยะห่างเดิม5เมตรลูกเหล็กค่อยๆเคลื่อนใกล้เข้ามาเป็น4ี่เมตร3เมตร2เมตรด้วยอัตราเร็วค่อนข้างทวีตัว กระทั่งพุ่งเข้าประทับแผ่นทองแดงที่วางเป็นเส้นชัยดักรอเมื่อชนแล้วลูกเหล็กก็ถูกจับยึดไว้ให้สนิทนิ่งกับทีส่งเสียงคล้ายคอเครื่องดนตรีแก้ว พ, พลิ้งแพผลรอยเข้าครอบหูทําความปิติให้ลานดาวจนยิ้มกระจ่างออกมาเยี่ยงผู้ริมรถโอชาแห่งชัยชนะด้วยพลังจิตเหนือวัตถุเงยหน้าส่งตาทอประกายรุ่งโรจน์ให้สารณะอย า, ากจะประกาศฉายอารมณ์เรืองรองอวดเขาสารณายกมือขวาชูนิ้วโป้งให้หล่อนแทนความหมายชมเชย หลังจากนั้นขณะลูกเหล็กค่อยๆเ ค, ค, คลื่อนอึดกลับไปยืนตำแหน่งกึง่งกลางรางบนโต๊ะตามเดิมลานดาวก็ได้ยินเสียงดร์สมคิดในครอบหูยินดีด้วยครับคุณจ้าคุณดึงลูกเหล็กเข้าชนเส้นชัยด้วยเวลาที่น้อยกว่าผู้เริ่มต้นครั้งแรกคนอื่นๆมากคราวนี้ถึงเวลาลงสนามแข่งจริงแล้วผมจะเปิดโหมดประลองกําลังหมายความว่าการแลากบอลจะไม่ง่ายเหมือนเมื่อครูเพราะคุณจ้าต้องต่อสู้ชิงกําลังกับคุณสารณะด้วยหากกระแสจิตของฝ่ายได้สะดุดชะงักแม้แต่วินาทีเดียวก็ถือเป็นการเพลียงพล้า เปรียบได้กับการชักกรยืดที่เราปล่อยเฉยให้อีกฝ่ายดึงเข้าข้างเดียวซึ่งก็ต้องเหนื่อยหน่อยกว่าจะลากคืนกลับมาที่เก่าเพราะฉะนั้นคําแนะนําคืออย่าเผลอแม้แต่พลิบตาเดียวพร้อมนะครับลานดาวพยักหน้ารับคําค่ะสายตาจดจ้องที่ลูกเหล็กกลางโต๊ะแน่วแน่ด้วยความเชื่อมั่นในพละกําลังแห่งตนว่าสามารถรวบรวมให้โฟกัสต่อเนื่องสม่ําเสมอไม่ขาดสายได้นานพอควรท่ามกลางความสงัดงนันเสียงกริ้งอันเป็นสัญญาณเริ่มต้นดังขึ้นในครอบหู ลานดาวสะกดวัตถุทรงกลมสีเงินให้กลิ้งเข้าหาตนแต่คราวนี้รู้สึกถึงความฝืดและแรงต้านไม่วิ่งรื่นเข้ามาอย่างสะดวกเยทินเช่นรอบก่อนทําให้ทราบถึงแรงดึงจากฝั่งสารณะแม้กระแสจิตไม่ได้กระทํากับลูกเหล็กโดยตรงแต่ใจก็กระทําต่อใจในลักษณะยืยุตก็ให้ผลเป็นความรู้สึกขืนสู้ระหว่างใจต่อใจชัดเจนคล้ายความรู้สึกขณะฉุดเชือกชักะเยาะอยู่นั่นเองเพียงแต่นี้ไม่ได้หักกันด้วยกําลังกายแตว่าเป็นการขับกันด้วยอํานาจนึกแห่งใจวนล้วน ลูกเหล็กถูกลากจูงเข้าหาแผ่นทองแดงฝั่งของสาระด้วยอัตราเร็วค่อนข้างมั่นคงสแสดงถึงฤทธิ์ทางใจที่ ท, ทรงกําลังสม่ําเสมอลานดาวขมวดคิ้วแน่นพยายามเรียกบอลกลับคืนมาหาเชื่อว่ากําลังของตนไม่น่าจะหย่อนกว่ามนุษย์เดินดินธรรมดาทั่วไปนักเพราะปัจจุบันหล่อ น, นิ่งในสมาธิได้นานหลายสิบนาทีบางวันจิตใจปลอดปร่งหน่อยก็ไปไกลเป็นชั่วโมงแบบเดียวกับนักกอล์ฟที่ออกแรงหัดตูมเดียวลูกลอยโด่งขึ้นฟ้าและแล่นลิ้วค้างเติ่งอยู่บนนั้นเนิ่นนาน มองเท่าไหร่ก็ไม่มีทีท่าว่าจะตกเสียทีเหมือนกําลังงัดข้อกันลานดาวพยายามสงบสติอารมณ์รวมจิตให้นิ่งที่สุดเท่าที่จะทําได้เริ่มคุ้นกับการกําหนดใจแบบที่จะเรียกให้บอลหมุนมาทางตนแต่ก็ยังคลายนักชั ก, กเยาะที่ถูกฉุดถูลู่ถูกลางไปทางฝ่ายตรงข้ามแบบเดียวกับเด็กแพ้แรงผู้ใหญ่ตัวโตโ ต, โตท่าเดียวดรสมคิดที่เฝ้าจับตามองการแข่งขันอยู่อีกทางหนึ่งเห็นชัดว่าลานดาวพยายามทุ่มเทพละกําลังทั้งหมดแล้วแ่ว่ายังเป็นรองสารณะอยู่อักโข ในขณะที่เมื่อมองไปทางสารณาบ้างก็กลับพบว่าฝ่ายนั้นนิ่งสงบและเหมือนตั้งใจทำงานธรรมดาที่ไม่ต้องเกรงไม่ต้องออกแรงใดๆทั้งสิน้นลูกเหล็กขยยบเข้าใกล้เส้นชายของสารณาไปเรื่อยๆแม้สะดุดบ้างเล็กๆน้อยๆก็เป็นที่ประจักษ์ชัดว่ามีแนวโน้มดึงดูดสูงและมั่นคงมากไม่ส่อเขาเลยว่าลานดาวจะสามารถฉุดกระชากลากบอลกลับมายังฝ่ายของหล่อนได้แต่แล้วด้วยความตกใจคาดไม่ถึงของทั้งลานดาวและดรสมคิด ลูกเหล็กกับกลิ้งปลูซวนทางกลับมาหาเส้นชัยของลานดาวแม้แต่สาวน้อยเองยังเบิกตาโพลงเกือบเสียดุลสมาธิเพราะเห็นสิ่งที่ไม่นึกว่าจะเห็นแต่ก็ตั้งสติได้เร็วด่าว่านั่นคงเป็นช่วงกําลังจิตของสารณะตกลงและอาจเป็นโอกาสทองเดียวที่หล่อนอาดคว้าไว้ลานดาวเม้มปากแน่นหายใจลึกแล้วโหมทุ่มพลังทั้งหมดรังลูกเหล็กที่มาจอบปลายจมูกในระยะครึ่งเมตรดึงดูดให้เข้าชนเส้นชัยให้จงได้แต่ก็ช่างยากเย็นแสนเข็นยิ่งกว่าเล่นงัดคอ เกือบกดได้อยู่แล้วแต่ฝ่ายต้านทานก็แข็งมหาการเอาไม่ลงสักทีลูกเหล็กจาะเส้นชัยแค่เอื้อมแต่กลับค้างแล้วค้างเล่าเหนียวทนทายาตออกแรงเท่าไหร่เท่าไหรก็ไม่สำเร็จสมคิดมองเสี้ยวหน้าเคร่งเขม่งของลานดาวสลับกับเซี่ยวหน้าเต่งตึงด้วยรศมีจับตาของสารณะนะจึงเริ่มรู้ว่าที่แทนนี้เป็นแผนอ่อยเหยื่อให้ดีใจเกลของเสือร้ายผู้เจนสังเวียนมาแรมเดือนสารณ ะ, ะยิ้มมุมปากอย่างเจ้าเล่ห์เล็กๆอันที่จริงถ้าใครอยู่ใกล้จะได้ยินเสียงหัวเราอฮือๆในลําคอด้วยซ้ํา เขาเอ็นกายกล า, างสอกในท่าสบายปลายนิ้วถูกันด้วยม้าจเย็นส่วนศีรษะเหมือนกระจายสนามพลังเข้มข้นดูกระจ่างตาน่าคล้ำเกรงนี่คือสีสันการเล่นที่เห็นจากนักกีฬาพลังจิตแล้วบังเกิดความตื่นตาแก่ผู้ชมยิ่งนักพลังจิตหนุ่มเลิกใส่ใจกับเหล็กทรงกลมอันเป็นเพียงเป้ารอบภายนอกปิดตาลงกาหนดจิตรวบรวมพลังเอาตรงตรงซึ่งทาได้ต่อเมื่อจิตมีความนิ่งยิ่งใหญ่พอ เขาแตะจิตเข้าสัมผัสกลุ่มพลังอันเป็นภายในรวบยอดมารวมศูนย์ผนึกนั่นทํานองเดียวกับก่อสนามแม่เหล็กไฟฟ้ามาหาศาลขึ้นด้วยเครื่องผลิตขนาดยักษ์ใจน้อมนึกให้ลูกบอลดิดตัวปราดเข้าหาตนในบัดเดียวนั้นลูกเหล็กวิ่งเหมือนถูกดีดด้วยมาหากําลังแห่งพายุใหญ่เพราะค่าสัญญาณไฟฟ้าที่คอมพิวเตอร์ตรวจรับได้จากสารณะทวีตัวขึ้นมากกว่าเดิมหลายสิบเท่านั่นเป็นการปล่อยพลังจิตแท้จริงทั้งหมดออกมาแบบเลิกเก็บเลิอกออม ผู้ชมอย่างสมคิดจึงเห็นบอลพุ่งจูดเข้าชนแผ่นทองแดงฝั่งซารณะโดยไม่ต้องมีการแกล้งยื้ออีกต่อไปลานดาวผวาเยือกด้วยอาการของคนสะดุ้งสุดตัวอันเป็นธรรมดาของคนแพ้แรงจิตกระทันหันเมื่อคลูกกระแสจิตหลอนถูกรวมได้เข้มข้นด้วยการจับอารมณ์เป็นหนึ่งกับลูกบอลพอบัดนี้กลับเคว้งไร้หลักทำนองเดียวกับคนกำลังไต่เขาขึ้นสูงด้วยการออกแรงสาวเชือกเมื่อจูจ่ๆเชือกล่องหนหายไปจึงลอยคว้างกลางอากาศและหล่นลิ้วหวิวโงง แม้สมคิดจะเห็นการเล่นกีฬาพลังจิตเกมนี้มาหลายพันครั้งเมื่อมีโอกาสดูสารณะเล่นทีไรก็พบว่ามือของตนกรำเกรงเรากับเป็นคู่แข่งขันเสียเองทุกทีไปเขายิ้มด้วยความชื่นชมเจ้านายแต่เดินเข้ามาถอดหมวกและคั้วรับสัญญาณให้กับลานดาวถามหล่อนยิ้มยิ้มเป็นไงครับขณะนั้นสารณะเดินเข้ามาสมทบลานดาวหัวเราะและคอนบิ๊กบอสแทนนีโอเทรนนิดๆตอบด็ตอร์สมคิดเหนื่อยสิคะโดนหลอกให้ออกแรงเปล่าผู้กำชัยยังเด็ดขาดหัวเราะเอื่อย พี่แค่อยากให้จารู้จักทุกรถของเกมนี้ความเข้าใจจากสัมผัสที่ถ่องแท้จะเป็นส่วนหนึ่งของงานพิธีกรต่อไปลานดาวยิ้มจ่อยๆเขาเพิ่งสอนหล่อนพันกีฬาพลังจิตว่าเพื่อเป็นผู้ชนะนั้นไม่ใช่เอาแต่ตั้งหน้าตั้งตาเค้นกําลังดึงดันกันอย่างเดียวแต่ต้องฝึกตัวเองให้สงบและสบายเป็นกระแสพลังจึงจะรวมถึงจุดยอดได้อย่างเขาค่ะพี่นาสอนจาให้เข้าใจอะไรได้ลัดๆดีจริงเอาละ่ะอยากรู้ไหมว่าถ้าออกอากาศคนดูจะเห็นอย่างไร ลองตามมานี่สารณะพาลานดาวมาอีกมุมหนึ่งของห้องไปหยุดอยู่ที่แผงหน้าจอคอมพิวเตอร์ซึ่งเรียงติดกัน3กรอบขณะนั้นหน้าจอทั้งหมดยังแสดงหน้าต่างควบคุมกล้องเหมือนๆกันแต่เมื่อชายหนุ่มใชม้เมาส์คลิกๆก็ปรากฏภาพรีเพย์ของเกมที่เพิ่งผ่านไปสดๆ ส, สิ่งที่เห็นปรากฏในจอคือความน่าตื่นตาตื่นใจเหลือจะกล่าวจอตัวกลางฉายภาพลานดาวนั่งเผชิญหน้ากับสารณะในระยะห่าง10เมตรแบบววิวจากมุมสูงกว่าระนาบปกติเล็กน้อย จอด้านซ้าย close up เห็นเสี่ยวหน้าลานดาวกำลังก้มลงจดจ้องวัตถุเป้าหมายดูฉบเฉี่ยวคมคายดีไม่หยอกประมาณนินจาสาวซุ่มพิคาดเหยื่ออย่างเงียบเชียบส่วนที่จอขวาโค o s อัพเห็นเซี่ยวหน้าของสารณะนะดูเขาเหมือนราชสีห์ใหญ่ที่ไม่จำเป็นต้องตั้งท่าแสดงอํานาจมากในเมื่ออยู่นิ่งๆตะบะเดช้าก็หลามลดออกมาเต็มพิกัดอยู่แล้วเมื่อสัญญาณบอกเริ่มเกมดังกลิง้งเหมือนที่ได้ยินจากครอบหู ภาพจดจ้องเอาเป็นเอาตายยังดําเนินไปขณะเดียวกันด้านล่างจอภาพก็แสดงกราฟเส้นบอกความถี่และช่วงความสูงของคลื่นสมองในย่านที่ตีค่าออกมาเป็นพลังจิตเห็นได้ชัดว่าเมื่อช่วงความสูงและความถี่ด้านของสารณะสูงขึ้นลูกตุ้มเหล็กก็จะเลื่อนเข้าหาตัวเขาแต่เมื่อเส้นกราฟฝั่งของลานดาวตีขึ้นคู่ขีเจ้าวัตถุทรงกลมอนันเป็นเป้าชิงชัยก็จะชะลอลงหรือทําท่าจะถูกดึงกลับไปทางฝั่งของลานดาวเข้าบ้าง และเมื่อซาฬนาอ่อยเหยื่อเส้นกราฟแสดงคลื่นพลังด้านเขาก็ลดลงหัวภาพปล่อยให้ลูกเหล็กไหลทื่อหาฝั่งของลานดาวราวกับเทรางเข้าข้างหล่อนแต่พอหญิงสาวรวบรวมกําลังอย่างเข้มข้นในวินาทีเฉียดชัยเข้าได้เข้าเข็มกราฟของซาฬก็ตีขึ้นสูงและถี่ยิบอีกด้วยปริมาณที่เหนือกว่ากราฟของลานดาวเล็กน้อยจึงเห็นลูกบอลถูกตรึงนิ่งกับทีไม่ก้าวหน้าไม่ถอยหลังกระทั่งกราฟของลานดาวลดระดับลงสะท้อนอาการหมดแรง กราฟของสาระก็ตีสูงขึ้นเป็น2เท่าทะลุพื้นที่กรอบแสดงกราฟออกมาเกยทับภาพหนุ่มนักพลังจิตอย่างน่าระทึกแถมความถี่ยังเพิ่มขึ้นขนาดทําให้เส้นกราฟติดกันเป็นแพรดําพลืดสอดคล้องกับการหมุนกลิ้งลิ้วเข้าเส้นชัยรากับโดนถีบด้วยเท้าช้างเมื่อเห็นทั้งสีหน้าและเส้นกราฟพลังของผู้เล่นผนวกกับอาการกลิ้งของลูกเหล็กซึ่งมีเสาร์เอฟเฟกคล้ายล้อรถไฟสีกับรางชา้าช้าใครดูก็ต้องเชื่อทันทีว่านี่ไม่ใช่เพียงการตบตาด้วยเทคนิคทางคอมพิวเตอร์ แต่มีพลังจิตของจริงอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ทั้งหมดอย่างแน่นอนไม่เคยเล่นอะไรหรือเห็นอะไรที่น่าระทึกขนาดนี้มาก่อนเลยค่ะยากไหมคะกว่าจะได้เครื่องนี้ออกมาก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันทีมวิจัยต้องใช้เวลาหลายเดือนกว่าจะเก็บสถิติกรองสัญญาณย่านที่แน่ใจร้อเปอร์เซนตว่าเกี่ยวข้องกับพลังจิตล้วนๆแล้วก็ต้องคิดคนวิธีแปลสัญญาณไฟฟ้าทางสมองให้เป็นพลังขับเคลื่อนลูกเหล็กแบบพอดีเวลาณวินาทีนั้นๆรายละเอียดทางเทคนิคค่อนข้างมาก อีกอย่างเราต้องเสียเวลากับการคิดค้นสินค้าขนาดย่อมด้วยเพราะสิ่งที่พี่ต้องการไม่ใช่แค่ให้ดูคนอื่นเล่นทางทีวีอย่างเดียวแต่อยากให้คนดูได้ฝึกจิตฝึกใจกันจะเพื่อความสนุกในครัวเรือนหรือเพื่อเตรียมตัวมาแข่งขันจริงในรายการก็ตามเด็ดขาดเลยค่ะพินะแล้วสมมุติว่ายื้อกันไปยื้อกันมายังไม่ชนะเสียทีจะทํำยังไงเรากําหนดเวลาไว้ตายตัวถ้าเกิน3ามนาทีแล้วลูกเหล็กยังไม่เข้าเส้นชัยก็ชวดรางวัลด้วยกันทั้งคู่อันนี้พี่ทําการบ้านไว้แล้วล่ะ ระยะแรกๆที่เปิดรายการเราจะคัดเอาดารารูปร่างหน้าตาดีมีแคแรคเตอร์ดึงดูดใจมาเล่นโดยจะฝึกให้เขาเก่งจริงและสามารถคลองแชมป์ได้หลายสมัยก่อนที่ในระยะยาวจะเกิดนักพลังจิตตัวจริงขึ้นมาเพราะผู้ชมซื้อสินค้าของเราไปฝึกจนแก่กล้าตั้งชื่อสินค้าไว้หรือยังคะใช้ไซ ส, สปอร์ตหรือเปล่าลานดาวกล่าวตามที่สังเกตเห็นป้าย P S Y S P O R T ข้างโต๊ะเครื่องแข่งพลังจิต เมื่อสารณะพงกศรษะรับรองก็ถามต่อรูปแบบรายการคงไม่มีแค่ช่วงแข่งพลังจิตอย่างเดียวใช่ไหมเพราะพี่นาบอกว่าอย่างมากเวลาเล่นเกมนี้แค่3นาทีเองการชักกระเยาะลูกบอลเป็นแค่จุดเด่นซึ่งใช้เวลาเพียงช่วงแรกสั้นๆใครชนะก็ถือว่าได้25คะแนนช่วงที่สองจะแข่งกันทําความสงบใครลงสู่ความนิ่งได้เร็วกว่านานกว่าก็เอาไปอีก25คะแนนอะไรจะเป็นตัวแสดงความสงบคะกราฟสมองที่คงเส้นคงวา เราจะต่อสายตรงจากคอมเข้าอ่างน้ำสาสให้เห็นกันจร ะ, ะเลยความสงบจะแสดงออกมาทางคลื่นน้ำเรากับผู้วิเศษแข่งกันบังคับอาปโปธาต์เครื่องควบคุมน้ำจะถูกออกแบบมาให้ไหวมากๆกับคลื่นสมองคือที่ค่าเริ่มต้นอาจปั่นป่วนได้ขนาดน้ำวนใหญ่และที่ค่าความสงบนิ่งต่อเนื่องจะสงบราบค่าเป็นแผ่นกระจกตัวตัดสินชี้ขาดแท้จริงจะอยู่ที่กราฟซึ่งรายงานได้ชัดเจนว่าใครลงได้นิ่งกว่าใครมีสะดุดกระเพื่อมมากกว่าช่วงที่3ละคะ ลานดาวซักด้วยความสนใจใคล้รู้ยิ่งขึ้นเป็นช่วงพักการแข่งเราสองคนจะแนะนําการฝึกสมาธิขั้นตน้นขั้นกลางและขั้นสูงวิเคราะห์แจกแจงรูปแบบสมาธิแนวต่างๆโดยอาศัยข้อมูลอ้างอิงจากการาฟคลื่นสมองรวมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับคลื่นจิตคลื่นสมองการแก้ปัญหาความเครียดแล้วก็มีโฆษณาขายสินค้าแถมท้ายสําหรับช่วงนี้คงยืดหยุ่นและปรับเปลี่ยนไปเรื่อยต้องดูความนิยมจากคนดูก่อนยิงสาวเม้มปาก นึกอยากให้ถึงเวลาออกอากาศเร็วๆคนดูครั้งเดียวคงติดใจและมาเฝ้าหน้าจอกันแน่นขนาดกับทั้งบอกตอบแพร่สะพัดยิ่งกว่าไฟลามทุงอย่างนี้จ้าคงต้องฝึกสมาธิหลายๆแนวไว้ช่วยพิ่ณสาธิตสิคะก็ต้องเปิดใจกว้างหน่อยนะพี่รู้ว่าจะมั่นคงในแนวทางดําเนินจิตแบบพุทธแล้วแต่นี่เราจะช่วยให้คนเห็นความแตกต่างอย่างเป็นรูปธรรมมุ่งเน้นน้าหนักมาทางพุทธนั่นแหละเพราะแนวที่ดีที่สุดย่อมแสดงตัวเองออกมาอย่างเป็นรูปธรรมอยู่แล้วในรายการแบบนี้ เฉพาะเรื่องความสงบนอกจากจะเห็นทางความไม่กวัดแกว่งไหวติ่งทางกายแล้วคนดูจะได้เห็นข้อมูลทางสรีระอย่างเป็นรูปธรรมด้วยจะไม่มีปัญหารังเกียจแนวทางอื่นๆหรอกค่ะเพราะตัวจ้าเองทุกวันนี้ก็ยังไม่อยู่ในวิถีทางแบบพุทธเต็มร้อยเลยด้วยซ้ําอันนี้สงจากการทํารายการไปเรื่อยๆอาจเหมือนแทะเคียรให้เร่งบําเพ็ญภาวนาเอาจริงเอาจังเสียบ้างแล้วช่วงสุดท้ายของรายการล่ะคะเมื่อกี้พี่น้าบอกว่ามีสี่ช่วงเพิ่งบอกไปสามช่วงเท่านั้น ช่วงสุดท้ายนี่แหละสำคัญต่อให้ชนะสองช่วงแรกก็มีคะแนนสะสมแค่50แต้มแต่สำหรับช่วงท้ายนี้จะมี50แต้มในคราวเดียววิธีเล่นคือให้พูดเล่าเรื่องความดีที่ได้ทำไปพูดอย่างไรก็ได้ให้เกิดกุศลจิตมากที่สุดเราจะวัดค่าหลายๆอย่างประยุกต์ทั้งแนวคิดแบบเครื่องจับเทสเครื่องวัดความเครียดของกล้ามเนื้อตลอดจนเครื่องตรวจจับการหลั่งของสารเช่นเอนดอฟินและอื่นๆซึ่งเมื่อรวมค่าทั้งหมดแล้ว ตีค่าเป็นคะแนนได้ชัดเจนพอสรุปว่าคนพูดนั้นมีใจเป็นกุศลมากน้อยเพียงใดนี่จะเป็นการยิงความดีเข้าหัวใจผู้ชมทางบ้านกันตรงๆผ่านความทรงจำหรือจินตนาการอันแจ่มชัดแทนที่จะแข่งดีด้วยความคิดเอาหน้าเอ า, าตาคุยโวโอ้ อ, อวดก็ให้มาเป็นการฝึกพูดถึงความดีด้วยจิตใจเป็นกุศลและสามารถฉายให้ดูได้อย่างเป็นรูปธรรมลานดาวทาตาวาวามโหไอเดียอนุโมทนานะคะพีนะ่ณะ บุญบาปสมควรทําให้ปรากฏเป็นรูปธรรมผ่านเทคโนโลยีปัจจุบันเสียได้ตั้งนานแล้วจ้าเองเป็นคนมีความคิดสร้างสรรค์ถ้าเห็นอะไรควรเสริมเติมหรือตัดแต่งอย่างไรก็ว่ามาเลยนะเราควรเป็นหุ้นส่วนกันอย่างแท้จริงในรายการนี้แบ่งคะแนนแบบมีสิทธิ์เสมอกัน 50-50 อย่างนี้ก็อาจต้องให้หน้าเก่าแข่งใหม่รอบหน้าทั้งคู่เสมอกัน3ามครั้งถือว่าแชมป์ได้สําหรับคู่แรกสุดเราคัดชนิดที่ต้องได้แชมป์ชัวชัวไว้แล้วพินาตั้งเงินรางวัลไว้อย่างไรคะ 25คะแนนคือ 5,000 ันบาทเพราะฉะนั้นถ้าใครชนะทุกรอบก็ได้ไปถึงสองห0ื่นสำหรับแชมป์จะมีโบนัสให้เช่นเล่นถึง10สมัยแถมให้อีกแสนหนึ่งโอ้มีคนสมัครกันทั้งเมืองแน่ละคะ่ะหยุดคิ ด, ค ด, คดนิดหนึ่งก่อนเสนอไอเดียถ้าได้ผู้ชนะที่พลังจิตสูงจริงๆก็น่ามีรอบพิเศษประเภทสองรุม1 ห, หรือ5รุมหนึ่งนะคะหน่วยตาของสารณะเบิกกว้างขึ้นเล็กน้อยเออก็น่าทํานะแล้วเขาก็มองลึกลงไปในตาหลอน เราคงช่วยกันคิดช่วยกันสร้างอะไรดีๆร่วมกันได้อีกเยอะเลย